เออบ่าบากดแต่เราตัดบริหารออกมากกดแล้วก็หนีนย่ามแล้วก็เอาใส่แนบาบ่ า, า, ล, อา ล, อลองเท่าเรากรทิ้งลองเท่าเราไม่เอาเอาเท่าเราทิ้งจะไปใครลองเท่าขึ้นตายแล้วทีทิ้งไม่เอาลองเท่าไม่เอาเอาไปใช้อันเดียวไปใช้บใบสองขาเอาใบชุบที่เอาขอนังสือปาเจงโง เอาผ้าเช็ดหน้าหอ่อแล้วก็ยกัดแข่ในบาดย่ามก็ไม่เอาท้ายบาเดียวนิบกดใส่รักแรกในเวลาที่ในเวลาที่เรานั่งพักนั่งพักพินนาลงทงันโวสันชันอย่างนี้ถ้าเราไปพักอย่างนี้ไม่ได้ปุ่ม เราพาหงายรงีแล้วพักข้างหน้ายำน่อย่อย่างนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้ยหนดวัวต้กัวตะมัตโก้ตัวตมัวโก้พูดตัวมัตโตมโตมโาปยดูงหลวเป็นโกเกนะ เหี้ยเขาดับขังเอาความดีไปที่ไหนเอาความดีออกอยากเอาความชั่วออกเราไม่พบเขาอย่าให้กระเทือนเขาเราพบขอก็อย่าตายใจกับเขาข้างซไหมมุกผูกตีนที่สวยมากนะแกไหนข้างษาค่ะนี่อยู่หน้าสีสวย <c oughs> มันไม่เหลือเสิไปเลยไงไม่เหลือะเราน่กว่านเไปเราน่ว่าเหลือเกนไป่ามาาเหลือเนปเน่วามัลอเไราว่เหลือเนไปานกว่ามาันเหลือเกปา่กว่านหเกไปเราแาเหลืนไปาน่่มกินไปาแน้ว่าอเกินไปาน่มเไปเรา่กามไปเรน่าเหลือกไปาน่กเลนไปเแ่่มัล้ปรนวัเไาแ่กวานหอกไ่นหแ่ามทหาง บ้านเขาทำไม่มีอะไรเจียกปนไมแท้แอือไมแท้ทคององดีใช่ไหมจะการขมไม่หลุดใชไมคะฮะไม้แท้แท้มันคองแล้วไม่ค่อยร่วม่อยลื่นไม้แท้นี่ขปนอะไรใ่าวปนปนไอ้ไอ้มของญี่ปุ่นคช่ไหมปนไม้ของญี่ปุ่นโอ้แล้วมันจึงลื่น ไปที่ไหนอยากกินภาวนาไม่ไว้ใจเอาภาวนาเป็นอาหารของใจเรามีอันเราอันตรายภนยในรถในเรือน้ำพึ่งเรือเชือพึ่งป่ามันเป็นของภายนอกป่วยพึ่งหมอภายในรถในเรือพึ่งผู้ขับรถขับเรือ แต่ก็ไม้สนิทลวงพึ่งตนจะไม่จนงมายพึ่งผู้อื่นก็สมก็สองบ้าไม่สมก็สองบ้ามาถึงเามาถึงการภาวนาเขาหายคามหม่ส่วนภายนอกเขาพึ่งกันมากส่วนภายในก็พอนะเขาหายคาใหม่เ้วเคยภาวนาอะไรก็ต้องภาวนาเนั้อแหละ มันเป็นที่สบายของเราอันไหนเราก็ต้องภาวนาอันนั้นเป็นที่สบายพุโทโธแล้วก็ภาวนาเขาถูเป็นที่สบายอะไรเราก็ต้องเอ า, เ น, น, านั่นพาถพาอย่างนั้นจิตไม่มีไม่มีข้อวัดจิตไม่มีสาระนะกายของเรากินอาหารมันกินเป็นเวลาปากท้องก็ดี ส่วนความนึกความคิดกินอาหารก็เป็นเวลานึกเสมอคิดเสมอแต่นึกไปทางดีจะดีกว่านึกไปทางดีก็คือบุญนั่นเองนึกไปทางทั่วกว่านึกไปเพื่อจระเขมไม่ใช่นึกไปเพื่อจระเข้สมนางอยู่นั่นนางอยู่นั่นเป็นคน มันตป็นคนเสียใจดิบบ้างเนี่ยน้าท so nice ี่จะทำเขาผัวของมันเป็นสาวแล้วมันกลายเป็นอารมณ์ขับวผัวอ่ะเป็นอารมณ์ขั้วใจเอามันก็วุ่นวายเออชักคนหน้าคนหลังใจกลางคนหน้าคนหลังมันกระเทือดสาวมันเนี่ยไหวมันทิบเนาะกระเทือดสาวเ้วก็ดีเองนะ อาหารแกงกะหรี่กุ้งเลี้ยงดินทำไม่ทีดข้างคาไหมใช่ก็มีกลิ่นนะแต่มาที่นี่มันเป็นความเคยชินแล้วจะกินกุ มาที่สาราเราทีไรจะต้องได้กินนี่อยู่ด้ไม่ได้กินนี้ก็มันเหมือนผิดไปทีแกไม่เข้าใจว่าเป็นผิวขาวนะยังบอกเอ๊กินดอกอะไรนะเนือูดกนดอกบัวตระห้าข้างเข่าไม่รู้ว่าอ๊กดอกอะไรนะเนืกินฉูดไม่รูว่าจะเนี่จะประมาณนั่งกันตรงนี้นะะตอนสิบห่าทุ่มและแม่พุมเดียนมัน ตุ้มใช่มตุ้มเ่ะพิพาม่งโนมันเป็นแต่ลูกกันนะคะม่ม่วงโรนบางทีก็ก้อนหินอ๋ออาจจะก้อนหินหินก้อหนดังจักางคืนมันขยับมันดังเฉยๆขนาดนี้มันก็ดังอล้วคุณพิพัฒนทำไมไม่มีพายุมีก้อนหินหล่นเฮ้ยทำไมไม่มีลมพายุแต่ทำไมยังมีก้อนหินหล่นน้ครัเออมันก็มีหนูเลียงปมา มีหนูวิ่ไปาบ้างก็มีงูตัวเล็กเลือดไปมาไปชนมันบ้างมีหนูวิ่งไปมาด้วยตอนกัางคืนแต่กระทบมันมันก็ี่งูแรกลูกมันุ่มเตูมงคิดไป่านีือาเคืไม่ไม่จะได้คิดไ้สงสัยเป็นขา่าวปรกมชนหมูั้าขาวข้างขาวเถูกแล้วก้อนหินลงมาทั้งนี้ก็ถูกมีหลายเรื่องอยู่ไม่มีมีเป็เรื่องเดียว เขาูแล้วทำไบางทมันตุ๊บทิหลตุกุพอใจเลยมันหล่นอยู่ข้างในแ้วกลังวัดทองอยู่ทีนีว่าต๊มันหล่นตุ๊บใช่หล่นุแล้วบางทีเนี่ยค่ะน่าดีนี่มันจะสุื่ออข้นของสือร้งก้าวอภิรุกอชันธีอนุตราสิอตรายีศิพระลาหานั่น หายคนฟองเสียงเก่าแล้วมาได้แอบกินกับโลกา菩萨เหมือนพวกเราพวกเราถ้าสะดุ้งมาก็าแอบกินกับโลก菩萨ถ้าเป็นโลก菩萨โลก菩萨กี่เหรียญทำไมเล่า <c oughs> พระรหันมันมีคนฟองเสียงเก้าเลยอ่ะคืออ่ะคำี่อนุตราสีอัปรายีสีควาสะดุ้ง <c oughs> ความสะดุ้งก็คือตังหานั่นเอง ก็คือมีตัญหาอยู่มีเคลื่อนอยู่นั่นเองเพราะกลัวตายถอนอุปทานยังไม่ได้การหาท่านถอนอุปทานได้แล้วทําไม่กลัวตายอาหารท่านก็ไม่หานตัวท่านก็ไม่กลัวมันหมดกลัวหมดฐานเนี่ยมันไม่มีกิริยาใดๆในขันธ์ที่บากของท่านเพราะสติท่านมีอยู่ทุกเมื่อนั่งอยู่อย่างนี้จะเราเล่ามาข้างหลังอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ทําอย่างนี้อาหาแต่พวกเราในประตอก็ แต่ไม่เคยไดูปแต่รูริงวผีอ่าก็น่าคือตอนแรกเสีย ง, งดังคลัทอย่างนี้ก่อนนะทลายเสียงตุ๊กแกก็มีตุ๊กแกก็ อ, ออกเหมือนกันตอน่นอหนูด้วยตุ๊กแกด้วยตุ๊กแก็ อ, อ, อกตามลกปู น, น, นะแล้วเวลาดึงลูกปูเราออกมาเดินตรงทางตรงคนได้ไครับโอ้ก็มาอยู่ถ้ายดีไม่แรงไม่ทับ ก, ก็ เดินจนก่อนที่ยังเป็นไม่เป็นโรคหัวใจก็6กทุ่มบางวันก็ขึ้นเดินตั้งกี่ทุ่มอแต่หนึ่งทุ่มฮกทุ่มก็มีบางทีก็สามสี่ทุ่มแต่ยังเป็นหนุ่มเลเดินจนถึงในเวลาที่ เราไปเที่ยววิเวกไม่มีข้อวัดครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องมีพิสูจน์อะไรทียากกันไม่ได้เอาข้วัดกันของใครของมันห้าโมงก็เดินนกกรมตลอดรุ่งจนเลยบินทบากเพราะไม่มีข้อวัดครูบาอาจาเขียนลงไว้ในปวอรณี้เขียนลงไว้ในปอดเนีบ้บางทีท่านทั้งหลายจะสอนเข้ามาว่าเอะการปฏิบัติเลือกผูอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมไปเดินนกกรมจนถึงตลอดรุ่งไปเดินเวลาไหนเราขอแยก ก็เวลาที่เราไปเที่ยวเวลาที่เราไปเที่ยวไม่มีขวะวัดครูบาอาจารย์เป็นบางครัา้งบางค่าวอยู่ท่าแฉลี่เดินนกกรมคอยของข่าวกรีฑตลอดรุ่งคอยรับรรข่าวว่ากรีฑาแต่ก็ไม่ตั้งใจคอยรับข่าวเพราะมันไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะปฏิบัติเที่ยวยินเพราะที่สวได้ที่อกันก็ขวะวัดบางทรายไกลเข้าขมันไม่ได้เอาขวะวัดกัน มิสูเรืเรื่อกันคนนัภาษาต้องภาษาอย่างนี้ก็ไมได้เอาข้อวัดกันเพราะใครข้อมันบากใครบาดมันที่มีครูอาจารย์คอยเอาพ้อวมันก็ต้องเป็นเรื่องหนึ่งครูปู่ทำไงแล้ครูหวงอย่างไรเวลาเดินตรงๆไม่เป็นปุจณานายเดินยังไงดีครับเคยพภาวนาพุทโธก็พิจารณาพุทโธเคยพิจารณาทุกข์ก็พิจารณาทุกข์ข้อเขาขาก้าออกเดิน เคพิจ า, g, ารณาอนิจจังก็พิจารณาอนิจจังพ่อกขาขาเก้าออกเดิมเคยพิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็พิจารณาพ่อเขาเลยออกเดินเลยก็พิจารณาไปเรื่อยๆเรื naked, ่อยๆก้าวขาซ้าขาขวาตู้จักทั้งนั้นกับหน้ากับหลังรู้จับทั้งนั้นขับซ้ายก็ตู้จักกับขวาก็พัดให้ตู้จับก็พิจารณาไปเรื่อยๆจะพิจารณาไปเรื่อยๆแต่ไม่เดินข้าเกินไปแต่ไม่เดินเร็วเกินไปถ้าเดินข้าเกินไป ก็ไม่ถูกเดินเร็วเกินไปก็ไม่ถูกแต่เมื่อมันเกิดปีติมากเขเดินเร็วเขาไมนมาได้แต่เวลาเดินต้องเดินให้ตรงพ่อเดินให้ตรงนีสัยของเราชอบตรงบางท่านเดินโคกเราเดินถ้าเป็นเดินโค้งหันทางไม่หันทางไม่ตรงเราก็ดักเอาให้มันตรงนั้วเราเดินโค้งมาเป็นเดินทุกคน ก็ลูกเดินใหม่ๆก็เซ่แท้ๆตอนนี้ไม่เซ่ฮะกันเปดเเซ่ซ้ายเซ่ขวาเวลาเวลาเดินตะกลมลบปู่มั่นพินาไปทางทิศตะวันออกเข้าทางตะกลมในทางท่เตะวัตกลงปู่มั่นเราไม่ได้เขียนอะไในประวัติหลวงปู่มหาเขาไม่ได้เขียนไะไรส่วนทางกลมนันยาวก็เพียงไหน แล้วแต่เหตุผลของกาลเทศะของสั ง, สงคม น, นั้นจะอํานวยของที่ดินในสังคม น, นั้นจะอํานวยถ้าไม่มีที่อํานวยนางพิชณีบางองค์กอดต้นเสาเดินเวียงไปเดินมาฝนตกไม่มีที่เดินแกก็ทั้งเหลอดร้หันนางพิชณีบางองค์กอดต้นเสาเ ด, เ, เดินเวียงเดินเวียงนักพิจารณาควาทุกข์นางก็ได้ต้องเร็อพระอนหันตะผลการแยก ตายแรกจะลูบแผดขาคุณสุกรที่มีระดัิทุกคนไม่อยู่ขายี่บอกก็ต้องลืมไม่ลืมมันจะเห็นอยู่เลยมันลูกมิคขาสีจริงๆจะต้องลืมตาถ้าไม่มีไฟก็ต้องหุดไฟเดี๋ยวไปหยียบมือเดี๋ยวไปหยิบหยิบมาแรงหม้อดีเดินกองก็คือเดินมา นั่งก็คือนั่งภาวนานอนก็คือนอนภาวนายืนก็คือยืนภาวนยืนเดินนั่งนอนภาวนาอะไรทั้งนั้นนอนไม่ก็มานอนไม่ครับพราเรามสารีราจะเปลี่ยนอายาบอกยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้บางองค์ก็นอนสำเร็จพระละหานเช่นพระอานุนต่อยหัวเรางนอนเขาสำเร็จพระละหันมาอค์ก็ยืนกําลังยืนอยู่สำเร็จพระลาหัรมาองค์ก็กําลังเดินอยู่ทสำเด็จพระละหันบางองค์ก็กําลัง แล้วนั่งถ่ายวัชระถ่ายปัสสาวะบางองค์ก็กําลังพูดอยู่บางองค์ก็กําลังไปบินทบาบบางองค์ก็กําลังสงน่านอยู่บางองค์ก็กําลังถ่ายวัชระอยู่ก็เรียกกระลังทั้งเวทโซดาสัปหะาคาอนาคากรรมรังการไม่เลือกการก็ให้นึกดูทีเถิดว่าคิดของเราเดินไปทางทั่วมันก็ไม่เลือกการเหมือนกัน ถ้าคิพ่อเราล้องไปทางดีมันจะเลือกการทำไ ม, มนะพูดท้งนี้ก็พอแล้วพระเนรพาห์ไม่ได้เลือกเพศหญิงเพศชายดอกพระเนรพาหใครพ้นจากเกศก็ไปได้ทางนั้น <c oughs> ยาพ่อยาแม่ หลวงพ่อหลวงแม่ไปพระนิพพานมากหลวงแม่ประชาปีโคตรมีก็มีบริวารห้าร้อยคนหลวงแม่ปตาการานามปตาการาที่เป็นหลวงแม่ในหัวเราะทั้งนั้นก็มีบริวารห้าร้อยคนบริว า, า, ารพระหันหลวงแม่พัตกาปิยลานีภรรยาของพระมหากรัชปะก็มี ลูกศิษย์ท่านละคนเหงวันกันนางอวบ น, นางวันน า, น า, า, านางปตากานางคุณธละเจสีเพราะว่านี้มีความเหแล้วทางน้ำ น, นางคุณธละเจสีอยู่ในปร า, าสาทแค้มพิกเก็บเห็นชายคนหนึ่ง น้าประตาน้าประตาจ้าในภาสากาาทัางเาเขาคิดเก็บเป็นคนละอ่างน้ไปเล่นกับคนใช่น้าก็ถือกองน้าลาออกจากข้าแม่ไปข้าแม่เขาให้ไ ป, ไป <S 2> <S 2> <S เวลามีบุ อพอมาคลอดบุตกับพ่อแม่ก็ออกไปอีกข้างทีุสองก็เลยเป็นอันตรายพอมาถึงกลางทางเออปวดท้องแล้วจะคลอดบุตแล้วพื้นที่ต้องหาซื้อหาไฟเผิดพี่กับไปหาไฟเออถ้าอย่างนั้นก็บพ่อเสีงเออถ้าอย่างนั้นกับพ่อเสียงเราจะเข้าไปหาปืน เดินกำลังเดินทางมีรูกไ่าคนหนึ่งลูกไล่คนนั้นประมาณสองสามปีพอเดินเป็นแล้วก็เอ้าเข้าไปในปากพรยาก็พออยู่ข้างนอกเวลานั้นก็ข้าก็ขนน้อยจนเรียกหรือกับโมทัดจับ ผนกำลังจะตกลมก็จับพอลมก้าพพก้าผู้สามีเนี่รไปหาเอากากไม่มืประกับจ้ะท่ำแล้วก็เลยตายคาที่อพอคานั่นก็ลมมาเลยนางก็ออกลูกคนเดียวออกลูกคนเดียวฝนกระตกลงมา ลูกผูน้อยง่ายว้หรือผู้ใหญ่เอาอุ้มไว้แขนหนึ่งอาุ้มไว้แขนหนึ่งทีนี่ก็โยเบียดนี่ยิงเบียดนี่กอลูกไว้เสมอลูกคนหนึงก็ง่ายเลยนี่แต่ว่าที่อยู่นี่ก็ทำเป็นยนนสูงบางเล็กน้อยพี่โยนี่ยเอาเลือกเอาโนนสูงบ้าทานไปทานโนนสูงตลอดรุ่งเช้าเท่าเลยฝนก็ทั่งลมกระทั่งฟ้าจัก ต่อพ่อรุ่งเช้ามาก็สีก็เหลืองเหมือนขมิ้นนี่นี่ตาไม่กู <c oughs> ้ลูกกู้พวกออกเมื่อคืนนี่มือ่อวังก็เหี้ยแขนลูกผู้มันเดินไปนพ่อของเธอมาครั้งนี้จากมาไปดูงตาไปดวงตายไปตาอยู่ที่จองปูกเป็น ไปตรวจ ด, ดูก็เห็นแผลเนี่ยก็เออก็เลยพาลูกมามาถึงแม่น้ำไอจิวลาวดีออจิวลาวดีแล้วก็เออกูจะทำยังไงน้าเนี่ยกูันข้ามนะคกูจะข้ามได้น้ามไหลอยู่ แล้วนึกได้ก็อเออกูจะเอาโลูกผู้น้อยพักจึงไม่มาเฉลียวพักจิงไมากูจะเอาลูกผู้น้อยง่าว่นี้กูจะพาลูกผู้ใหญ่เลยข้ามไปซก่อนหน้ามันไหลจกักเพียงหัวเข่าบ้างเปียงเอวบ้างเปียงหัวใจบ้างเปียงรักแร้บ้าง ไหลจับึงนี่นแต่ว่านางพอไปได้อยู่แล้วก็เอาลูกผู้ใหญ่ข้ามไปฝังรอดทีนี่แล้วก็ซื้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยอย่างนี่แล้วแม่จะไปเอาน้องมา น, งน้องที่หายอยู่ทางนั้นพอมาถึงกลางห้ามที่เดี่ยตวตัวตโ ต, ตเขาเยะว่าอีรุ่งอีรุ่ง อ, อีแรง มันไม่เขียวเอาไปกินซะมันเห็นแดงๆพอมาถึงถึงตาง้ามโอ้โ อ, อ้สูสูสูอย่ามาเอาลูกกูสูสู๋ยุบนนั้นเข้าใจว่ามารดาควักเอาตอนก็กระโดดลงมาน้่งพักตายๆเลยนั่นที่เดียวตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอีฮุ่ภาษาภาษาอีสานก็จบเอาลูก นลอยแดงๆขึ้นสู่เวหาไปอยู่ในทองชาที่นี่นางก็เสื้ยงจุจริตไปมากข้ามหน้าไปพอข้ามหน้าไปแล้ว <c oughs> ไปเห็นชายคนหนึ่งมาม <c oughs> าจากเมืองสาวถ <c oughs> คีคุณพี่คุณพี่คุณพี่รู้จักว่าบ้านอยู่ถนนเช่นนั้น ในดอกไม้มเท่านั้นเทน่านี้มีเสียดสีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้คุณพี่ดูจอกไมท่านสบายดีอยู่อดอกหรือเป็นลีดาของลีขันเป็นมารดาของนีขันเออน้องอย่าไปถามเลยพี่ไม่อยากพูดทายคนนั่งเป็นคนซื่อสัตว์เหมนกันนะไทยคนนั่งไม่มีได้ไมีเหดียวจะจะทำอะไรกํำนาไทายคนเดียวมาไม่อยากพูดไม่อยากพูด เออถึงยังไงก็ต้องพูดให้น้องฟังบ้าแล้วน้องเห็นไหมนอม้องเมื่อคืนเนี่ยฝนตกวันวันยังคืนฝนตกมดตลอดคืนลมจับด้วยเออนึกว่าฝนตกมเมื่อคืนนี่ตกเพื่อน้องคนเดียวเพราะน้ อ, นองเป็นทุกข<ม>์ปลาสาหักทับตายสามสี่คนเผาเชิงตะกอนเดียวกัน เห็นไหม น, นั่นน่ะไปควนยลีบดีเล้ยบดีอนั่งเดีย๋ยวไปมันลงกลางคุ่งแล้วทีนี้ที่จะกระเปือป่อยกายเผว่อยกายอืออือชายคนนั่งไม่เลยหน้าอะไรหลังก็พูดอย่างง่ายมันก็เลยไปมันคงเป็นคนซักซื่อถ้าเป็นคนเนีซักซื่อมันคงมองนั่นมองนี่ต้องกลับมาอีกมันคงเป็นคนซักซื่อคนนั่นไปเลยเขาอยากเอาไปนั่งไปคนเดียวนี้ เปลือายไปแม่ไม่มพ้านุ่งผ้าเดินไปพวกเรื่องโผล่เลกระดูเพาเห็นอ่ะอีกทีบ้าเอาชิ้นโผแห้งมาข้างหัวบ้าแล้วก็เอาคว้าดินคว้าใส่บ้างอีกทีบ้าอีกทีบ้าอีกทีบ้านางก็ซัดเจ้าเนจรไ ป, ต ร, ไปตรงไปตรงไปจนถึงเหลองสาวถีในเวลานนั้ตรงบรรดาลเข้าไปในวัดป่ามืองสาวธีวัดเชียงตะวันพระบรมาศาสดากําลังเทศอยู่ เข้าไปในบริเวณนั้นคนทั้งหลายเห็นอีกพือนบ้าอีกพื้นบ้ามึงอยามามึงจะ่ามามึงอย่ามาอีพืบพ้บา้ามึงอย่ามาพระบรมศารด า, ศ า, ศาดั่งเทศเดี๋ยวเอ อ, เ อ, อให้มันมาให้ ม, มาเรารู้จักมันแล้วเรารู้จักมันแล้วที่นี้ก็ปล่อยให้มามาปล่อยให้มามันก็ขึ้นไปขึ้นไปบนสาราที่พักยืนเห็นหน้าใจพระบรมสาสดา นานเอ๋ยนานงจงมีสติบ้างอำนาจพระพุทธธรรมพระสงค์ท่นี่คอยสอดใจนะก็ยือยู่แล้ว่าือยู่อยน้เื่ออยู่อย่างนี้พอพ อ, อ, อรำมาศจะราพูดแล้วนะั่ <c oughs> นได้สติแล้วนีณชายคนหนึ่งฉลาด โ ย, โยนผ้าให้โยนผ้าให้แล้วเอาผ้ามาห่มแล้วครับเล่าเรื่องให้พระบรมศาจจาฟังจนคุดเรื่องนะบพระรมศาจาก็เลยเทศเอาเทศเอาก็สาเร็จพระอารอาม ข, ขอบุญยห่าปบวัติอนาทีสุดท้าใครทุกขในโลกนี้ไม่เท่านาคตาจารเาเพิ่นเดียวตายห้าหกคนสามีตายลูกตายหมด ตายหมดตาก็มาตายเฉยแต่แก็ท้อฝนอยู่ตลอดคืนแม่นะเ <c oughs> ส้นนี้เลยจ้ะค่ะอยู่ไม่ไกลจากเชดดาร์วันเท่าไหร่อเกย์แล้ววันที่เจ็ดจากนี่ประมาณตั้มาบ้านหลุดพึงเลยไปสองหลุดพึ่งอะค่ะก็สองหลุดึ้งที่นี่มันเสมอการในรม่นที่แฉบกว่ามิ้แม่นะหรือจ้ะค่ะ แม่นาำเดี๋ยวนี so so uh ้มันม oh, okay. ันเขินเยอะอลยเติรนเขินขึ้มาเยอะเลยแต่ว่าจากเทรวันเราไปบ้านเออนาถมิตรกาเจดีนะคะมองเห็นแม่นี้อมองเห็นหุยรีบๆมองแม่นาำอะไรอะไรนั่นหลวงปู่จีละวารีอะไรหลวงปู่ว่าอะไรดีอม่น้ำว่าว่าอะไรอีกลองปู่ว่าชื่อแม่น้ำอะไรนะคะชื่อแม่นามมหินิสาคนจีละวารี้ อยู่อยู่บ้านอาถามีนากาเศรษฐีมองไปเห็นเห็นเห้วที่ทิ้งโจรอยู่ที่กรุงราชพฤกษ์มีไหมเห็นไหมเหี้ยที่ทิ้งโจรอยู่เมืองกรุงราชพฤกษ์ถูกเหี้วที่ทิ้งโจรจะไปั้มไม่ไปเห้วที่ทิ้งโจรเขาอานากรุณาเกศีรีเจตทิงได้ทราบแล้วเรืยังเรื่องนางกรุณาเกศรีได้ทราบไมไทราบ นางคุณธราเกษศีเป็นวุฒิเศรษฐีอยู่ป่าสาเจ็บช้ำมีชายชายคนหนึ่งเป็นคนสวยเขากำลังจะเอาไป่ข้าเดินผ่านหน้าบ้านไปเดินผ่านหน้าบ้านไปนางมองเห็นหนางก็ลงมาลงมาบอกบารดาวิดาพระเจ้าไทยไท่ฝนเอาชาคนนี้ไว้ให้ให ถ้าไม่ได้ชายคนนี้ก็ต้องตายต้องโควอตายวิดามนากรเลยถ่ายถอนเป็นเศรษฐีไปยถ่ายถอนไว้แล้วก็เอาให้มันส่วนมันมันนึกว่ามันนึกวงสลวงผีไว้ทิ้งขอให้กูลดท้นในข้าวนี่กูจะให้กินคนกูจะเอาคนไปทิ้งในเหวที่ที่โจรทิ้ง ม, มันก็นึกไว้ทิงมันก็นึกไว้วงสลวงไว้นึกไวทีนี้พอได้นางนี้แล้วนางไปนานไ ป, นนไปยังมาทํามีดตึน มันก็นึกว่าจะพานางไปแก้บ่วงสวงที่บ่วงสวงไว้น้าให้พี่ให้น้องไปด้วยไปสองคนนั่นแหละแต่ก็ถือเอากระออมน้าไปไปนี่ยก่อนพอไปถึงเหงือที่ขึ้นโจนมันก็ยืนอยู่ใกล้ๆต่างคนก็ต่างยืนอยู่ใกล้ๆเหงือกแหละวันนี้ล น, นางจะตายพราเราจะข้านางวันนี้ ถ้าเราได้บกบนเลยแล้วว่าจะมาแก้ที่เหลือทุกตัวนี้จะเอานางแก้ถ้าเราบวงสวงคนคนหนึ่งเราจึงรอดมาได้นางเขาตรัสว่ามันเป็นเช่นนั้นวิดาบรรดาของที่ขันถ่ายไว้หมดเงินขะนั่งสหประะเท่านี้สหประณะต้องแสน ไม่อย่างนั้นเจ้าก็ต้องตายแบบนี้แล่ะ mm. เออถ้าจะเอาเจ้ า, า mm. ไปรับท้องงานไปกินในโรงทุราแต่นี่ไปจนถึ ง, ถงหวัวงอนตายมันก็ไม่หมดเออถ้าพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกถ้าคนที่อยากได้อันไหนมันก็ได้หมดถ้าเราเอาพี่น้องเขาเธอก็จะว่าให้เราไม่อนั้นเราจะฆ่าเธอตายสัญญาผู้หญิง มันจะปัญญาแก้ไว้จะเกินเกิน <c oughs> <c oughs> อ้อถ้าอย่างนั้นก็ขอให้น้องชมคนพี่เช่ากอง <c oughs> จะดมที่แจ้งหรือที่แจมือหรือที่ไหนก็ขอให้อนุญาตดมเช่ากองอให้ท <c oughs> ํารัดเช่ากองพ้น้องจะตายในวันนี้ก็ดีอให้จงรักทักดีต่อคนพี่เช่ากองดือ เราเขามาดมแจมบ้าดมนมันได้โอ้คุณน้องได้ลาที่อยู่ล้านี้ละยังไงก็พูดไม่ได้ดอกื่อไม่ได้ดอกพูดจะพูดเหนอือน้องแล้วยีไง่อให้น้องขอลบไม่ชมซก่อนชมไปชมมาชมไปคนมาดมตามนีม่ตามสอบ ง, อ ง, องัดลงเลยสอบัลงเลยแต่ตอนน้อยไม่ท่อนใหญ่ทีนี้ <c oughs> ทนีน า, นานก็เล้ใเนื้อนบ้านทีนี้ ไปคนเดียวไปไปถึงพวกปริภาชชกมไปบวกกับริพวกปริภายชกนี่แก้าไปดินธบาดแกก็ไปบวกกับพวกพวปริภายชกไปดินธบาดแกไปทํากองฟายไว้ถึงกองทรายไวที่หน้าเข้าไปในบา้านถ้าใครแก้ปัญหาได้จึงมาทําลายกอง กองทรายเขาฆ่าพเจ้ า, าจถ้าใครแก้ไม่ได้ลยังมาทําทีนี้เลี้ยงนอยเรืร่องโคเรื่องกระเบือเขาก็คอยดูอยู่เข อ, ออกมาทีนี้บรรดาลภาษาไปบุดไปนางเข้าไปนางเข้าไปอักษรของคนไหนที่ทําอะไรนี่ใครเป็นผู้กวางทรายอะไรนี่คนหนูเด็กหน้าอะไรไม่แพ้กู้บาทเข้ามาในบ้านานานแล้วเขาบอกว่าอย่ามาให้ทํากางทรายเขา พเพราะอำนาจโทษแต่ผมว่าเออน้อจะทํำวงท่านท่านก็ถีบ พ, พิ้งเข้าไปยนดกระบอกใครแก้ปัญหาได้จึงมันมันเขียนไว้ถ้าใครแก้ปัญหาได้จึงมาทํำลายกองทายถ้าใครแก้แก้ปัญหาไม่ได้อย่ามาทำทีนี่ท่านสามารถแก้ปัญหาได้ท่านจ ะ, ะทําำจะถีบทิ้งเลยยันทิ้งเลยที่นี่นาข้ออกมาก่อน ใครมาทากองทรายนี่คนโง่โง่โง่ไม่เกี่ยเลยตอบได้เลยทีนี้น้องก็ถามมาแล้วท่านี่ถามบ้างถามข้าเดียวคาเลยนี่คาแล้วกะยอมตัวทีนี้ยอมตัวท่านเป็นลูกศิษย์ของใครเป็นลูกศิษย์ของพระบรมธาตุาท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นที่นันที่นันที่นั่นาม ถ้าคุณน้องต้องการไปแต่อยากไปพร้อมกันไปคนละทางไปหาพระบรมศาสตราพระบรมศาสตาสุรีให้ไปหาคนกลางที่เีก็บวก็สำเร็จผลหารใช่ไหนานมันเถีงข่าวมันมาแล้วถ้าเถีงค่าวแล้วทําไมถึงทุกข์มากมันทุกข์ท่ำชาติของมันเอาตัวรอดได้ถ้าพวกเราหรือตายแน่หละเหมือนไม่ชอบเขาสอบงัดลงเหี่ยวเลย ขาเป็นท่านน้อยท่านใหญ่เหวี่ยวทิ้นโจนปัญญาของมนุษ์อยู่เินือญาติเจืออยู่เหนือญาริเพระเจ้าพิมุสานจงอำนาจสีเท้าถอดผู้เขาคิจะูุดป็นที่หนึ่งท่านสตระบรรณคู่หาสร้างภูเขาอิคารามพุทเหี่ยวทิ้นโจรไปที่ อ, อ, อิีวิตจะมีอีกเนื่อมชื่อว่าโสดธิก า, ารณ์ศีตะวันระโตทารามที่หกเวรุวันที่เจ็ดชีวกรรมตะวันที่แปดเวรุวันที่เก้ามัชฌพุทธิยุทายวันเป็นที่สิบ ท, ที่สำคัญ ท, ที่สำัญในงนานนี้จะพือที่พระบรมศาสดาทรงให้พระอานอนท์อาราธนาไว้พระอานอนท์ก็ลืมไปเช้าไม่เข้าใจเพราะเป็นเพียงพระโสดาบัน ที่ในเรือนในเวือนเวียซาลีมีหกสถานที่โอเคษิกะเจดีจตัมพนะเจดีโพธมกะเจดีสารังทะเจดีปาวาและเจดีทะหูกุะเจดีนะหละครับ ชาลันท่าเจดีย์เรเป็นที่ห้าตาวาแลเจดียเป็นที่หกสถาบที่หกตำบลนี้เองพระอานุไม่อาราธนาเราไว้ถ้าพระอ า, านุอาราธนาเราไว้เราก็จะอยู่เต็มกับบ้างหรือครึ่งบ้านหรือเต็มกับบ้านเป็นความผิดของอาน์เจดีอ่ะทีนี้มันสายไปแล้วเพราะมามาอาราธน า, ราเราเราจึงจะได้เข้าสูตรข้อางตามอาราธนาขอมามันมีอยู่ที่วางว่าทุดมันมีที่อยู่ที่ ประเทศอินเดียทั้งหมดเมษายนพระพุทธเจ้าจึงไปเกิดที่นั้นในประเทศอินเดียทุกพระองค์เพราะเหตุว่าประเทศอินเดียมันมีรัฐที่ต่างๆกันในศาสนาจนถึงหกชุดสองนิตายหรือมากกว่านั้นอีกประชันทั้งแข่งทั้งหที่นั่นศาสนาพุทธก็เลยลงไปแข่งดีในที่นั้นทุกทุกทุกพระองค์เลย แรปซูลที่ประเทศเอลเดียพระพุทธองค์จ้ า, ารองค์ดเดินทางไปโปรดพระอาจารยผีเี่งสองร้อยกว่ากิโลนะเจ้าพระพาารุท่นสองร้อยกว่ากิโลเจ้าพระไปท่านมีนนพิจารณาท่าบอกพระพุทธองค์เนี่ยท่านมีฌานพิเศษถ้าหากว่าบัวมันอยู่ในโคลนตมท่านก็ไม่โปรดได้เสียเวลาทาไปโปรดถึงสาลนา จับหวัดนาราณีเจ้าชราณีสีชนาที่นั่นียกชราณีมั้งคะเที่นี่เรามาเห็นเราได้ไปชื่อมันโอ้มันมันผูแดงพรงท่านนี่เสียงสลากเสียากมากๆเจ้่ะหลวูจาจากถ้ำบำเพญทุกกรักิริยาในเจ้าคะตอนนี้พิเบตไปสร้างวัดอยู่ที่นั่น เสียดายมากเลยค่ะอ๋อก็้จะเอาศาสตน์คะเขาที่เวย์ก็น้องถือพูดเยอค่ะแต่ว่ามันเป็นการเไปไปสร้างอยู่ที่ตรงนั้นแล้วทำให้มันมันแลดูสถานที่มันไม่ไม่ขึ้นเหมือนแต่เดิมแล้วจังมันเป็นกบบเปล่แล้วทีนี้ก็ถ้าพูดถึงว่าจะกขเรียกเขาอิสิปนัทมรดไทยวันนี้ไม่ใช่มีวัดอยู่เดียวเดียว มีต้วยนะคะเ <ไป S 2> ยือนต้องมีตั้งเรียน ท, ท<ะ>ี่กรรคิริยานี่นะเจ้าคะถ้าเดินทางมาถึงริมแม่น้าเมรัชทราเนี่ยต้องสามสี่กิโลถึงจะมาริฝั่งแม่น้ำเมรัชทราที่พระองค์ให้มาลอยเท้าที่ท่านเดินมาต้องผ่าน้านนางมางรำคาญนางอะไรที่น า, นางสุชาดาเ่สุชาดาเ็นุฒิคุลมี บ้านนายใอยู่ตำ บ, บลมุรุเวลาเซนานีค้คุณจะพาต้องข้างหน้าบ้านนางสุชดามาแล้วจึงจะมาถ แ, แม่น้ำเนรชลาจากแม่น้ำเนรญชลาก็จะพระองค์ท่านอธิษฐานลอยถาดแล้วข้ า, ถามถึงแม่น้ำเนรชลาเข้ามาจึงมาที่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิท่านสําเร็จใต้ใต้จากกันไหมมันมันถูเยื่องแม่น้ํามันเป็นลอยถาดนอนริบแม่น้ำนะคะแล้วจะริบแม่น้ามองไปเราจะเห็นเลยค่ะเห็น ท, ที่ท่านนีงไปจากกระลุก ถ<ใ>้าไม่ น, น้ำเยื่องๆเสียงๆไปจด็กก็ถูกในตำงานของพรดเนี่ยเวลายันลงไปสู่มหาโพธิ์ไปส่งน้ำไปขนาดไหนไม่กกสอง2 2> <า> ก, กิโลความมันค่ะไม่ถึงสองกิโลกิโลกว่ากว่ า, าเราก็สําเนียกรมามาส่งน้ำที่เนรชลาได้จ้ะทีนี้จากเนรชลาที่ไปโปรดพรอ่อญจวัคคีย์มีสิทธนะเรานั่งรถตังวั น, นเนี่ย ท่านเดินท่านเดินครับท่านเดิน น, นคะครับแล้วกว่าท่านจะเดินนะเจะแล้วก็ที่มูลคันพสุตรีของพระองค์ท่านที่วัดเวฬุวัวนนะเจ้าคะใหญ่ไหมมันเป็นมูลดินแล้วเวลานี้มุสลิมนะเจ้าคะมันใจบามันไปเอาศพใครเลยไปฝังไว้อืมฝัง<ช>ทับมูลนี่เลยมูลคันีเล ย, เลยมันฤิ์แต่ยาใช่ไม่ได้เลยอ๋อ เลยลูกร้านยังได้ลําบากเป็นฟอทานเป็นอะไรอ ย, ยังลําบากมากมากลำบากลำบากมาที่ข า, าลยรู้ว่าตอนนี้พูดพูดศาสนาในอินเดียน้อยมากไม่ไม่มีน ะ, ะถ้าท่านไปท่านถาท่านไปเห็นนะท่านบอกโอแต่เดิมทีว่าอาจจะได้นนตำลานะเจ้าคก็เชื่อแต่ว่า ม, มันก็มันยังไม่เกิดความมั่นใจจริงแต่พอไปอดูแล้วเนี่ย เตุผลอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเท้ากันว่าจริงสมจริงจริงแน่แน่แมไม่ไม่มีอะไรเปลียนแปลงซึ่งเขาพิจิกูดอยู่ที่นี่นะจ๊ะคะตรงเขาเขาเนี่ยเขาพิจิกูดนะคะพอเดินลงไปถึงบ้านแรงเลยไปอีกหน่อยจ้คะค่ะจะเป็นที่คานักของหมอชีวกหลังจาหมอชีวกเลี้ยวฝาขึ้นไปนะคะอีกประมาณเท่านี้จะเป็นคุกพระเจา้าวิพิสารนั่น คุกเข้าไถ่พระเจ้าพิมพิสารไถ่พระเจ้าพิมพิสารถึงบกว่าอถ้าสมัยนั้นจริงพเวลาพระองค์ท่านเดินลงไปมินทบารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารจริงจะแลเห็นชายก็เหลืองเนี่ยเพราะจริงๆสถานที่ที่มันเห็นได้จริงๆแต่ความจริงนะที่หนุกอ่านนสือเนี่ยนะคะถือว่าเรื่องมันเกิดนางานๆสายนาแต่ว่าคนที่ถือศาสนาพุทธไถ่เป็นคนที่อนุรักษ์ไว้เนตระหนกอนุรักษ์ไอ้ของเก่าๆเนี่ยไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็น ความจินจแล้วเนี่ยศาสนาที่ไทยอินเดียน้อยมากมันน้อยมาก ม, นนาามันมีแต่คนบาปในยุคนี้คนอินเดียมีแต่คนบาปคนเทวั น, นมันเป็นบุญมันไปสู่รพระนิพพานหมดแล้วพ่อ่ะเทะวันนะจะพังปูดังงวดนี้เนี่ยที่เอ่อพวกโบราณาคดีของอินเดีย้าไปขุดนะคะขุดลงไปเจอเจดีย์อยู่ล่างจดีงๆนะคะยังได้กระดูกสี ข, ขาวๆที่อยู่ในเจดีย์นั่นเลย ขุดลงไปแล mm. so oh, oh, yeah, so uh ้วเจอจริงๆเนี่ยต้องกำลังกังขุดตัอุ่ดที่สูดดูคุดออกมาเจอมันมีมีวัดอยู่ข้างล่างจริงๆมีวัดเจอเจอเจอดีเลยนะจ้คะแล้วเจอที่ของที่ฝังอยู่ในจดีด้วยองกว่ปีต้องเป็นก็ต้องเป็นเจอเสองพักว่าปีจงอตะวันมาสมัยพระพุทองค์่มนก็สงขึ้นกว่าเก่าบาสงขึ้นประมาณห้าิเป็ มิดเจดีเลยนะจะค่ะมิรยอดเจดีเลยโอ้ถ้าใช่แน่นอนทุกทุกปรกออืมื้ใหญ่ืนใหญ่เนี่ยแต่แม่น้าในรชาร์ก็ต้นเผหมดแลขนาดแม่น้าในรันชารูมเลจค่ะเดินผ่านเข้าไปนี่มันแค่นี้เอ่ที่น้ำลึกอ่ะมันขึ้นมาเยอะจริงรนะจ๊ะค่ะลูกไม่ได้ไปใช่ไหเจดีอะไรเนี่ยมันมิดไหมดแล้วจ้ค่ะอแล้วก็ที่พุทธยาเนี่ย มันต่ำเลงไปจากพื้นถนนนี่มันประมาณเนี่ยแค่จากพื้นบนเนี่ยลงมาถึงล่างเะที่พุทยาสร้างไว้มาต่ําอย่างนี้จะต้องแล้วพื้นดินที่เวลานี้เดินมาอยู่ข้องูลรู้นเลยฮะที่นี่ไปบางสกุลน้ําตาหลาขนาดไหนล่ะขนาดนี้ไหมขนาดี่ไมสโลดได้เนาะตาต้องไหลอยู่ที่ยหนครัดีเลยว่าดีคนอันนี้แล้วที่ท่านสร้างตรงที่ว่าท่านพระพุทธานนะคะ ไม่เหมือนกับพระไอสายญาติบ้านเราสายญาติบ้านเรานี่ท่านหนุนหมอนใช่ไหมคะที่ปริณิพานท่านไม่ได้หนุนหมอแล้วจะเข่าลงหมอนเข่าลงนะหันเข่าลงกับพื้แนบอยู่ัเนี่ยทาแนบอยู่กับพื้นจริงๆเลยพุณผู้ชมนั่นน่ะเดี๋ยวเดะทยานไม่ได้ทาแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนวัดโพวัดวัดโพทาแบบนี้นี่นี่ เมื่อท่านมาถึงที่นั่นแบบว่าท่านเดินผ่านมารองเท้าถลาพระบาทท่านกะบวมข้างหนึ่งเจ้าค่ะเอาทาอย่างนี้หรือหรือทําอย่างนี้ซ้อนเจ้าค่ะซ้อนแบบกูะตุ่ซ้อนสักคู่นี่ข้างนึ่งฝาพระบาทบวมเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ซี่โครงขึ้นซี่โครงเนี่ยขึ้นเห็นเห็นเห็นที่โครงเลยืทุกการกิริยาหรือตอนท่านประริพานเนยโอ้อ้อเข้าใจเข้าใจเข้าใจ ก็นานที่พื้นเนี่ยค่ะแน่แน่อยู่กับพื้นเลยแบบรวขึ้นนอนส้มลงไปอย่างเงี้ยไม่มีหมอนหนุนไม่มีอะไรอะไรยังไงในตำนานว่าอยู่บนเตียงเนอะเตียงก็ดูบนตังหมือนกันมันค่ทำเหมือนตังขึ้นมาอ่ะเป็นแท่นอ่ะเป็นแท่นหลงปูใช่เป็นแท่นขึ้นมาเป็นแท่นสูงขึ้นมาต้นลังยังไหมต้นรางเหรอไม่มีนะจะผ่านก็ทำเป็นสระบรรพ้อทาเป็นสระบรรข์อ เต้องแสดงว่าตำนานนี่สืบจริงๆสืบ้อจริงๆว่าสมัยท่านพระองค์เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ท่านเดินมาจะมาทิ้งขันที่นี่เลยจะพามาถึงท่านคงจะเหนื่อยอ่อนล้ามาเหมือนกันนอนแต่มเมืองเวสารีแต่มเมืองเวสารีเป็นเมืองทุสินาราตายไหมเวสาลีผู้ไม่ได้ออเวสารีทีไหน<ม>เวสารีท่านจะทําอะไรที่เวสารีจะ้ะคะ ฉันหมูงวนของนายคุณถ้ากรรมันบุรแล้วก็ไปวสาลีพวกที่พาไปไม่ได้อธิบายเลยไม่พวกพาไปมะคุบอกไม่อธิบายว่าอยู่ที่ไหนเรเลยไม่เข้าใจเาเลยไม่เข้าใจา อ, อยู่ที่ไหนแี่เรากลังจะถาท่านให้ฉันหมูแล้วก็เกิดการฆ่เกิดไม่สบายก็จะแหลงอมูก่อนที่ท่านจะฉันท่านก็ไม่ได้ฉันเลยท่านรู้แล้วท่านบอกเอาไปฝันคะเอามาให้เราคนเดียวท่านว่าอย่างนั้น มุขทางหลายมัวควรฉันก็เราฉันคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถจะย่อยได้นอกจากเราจะ่ขาคนเราไม่ควรเ็าไม่ใช่ท่านฉันด้วยควมงโง่ท่านรู้ตัวแล้วอเอาไปฝังเสียในบ่อเนอเอาให้ไปฝังเสียแะครับพวกเชจกชันกาเขาก็บอกว่าเห็ดที่หมูชอบเฮ็ดอ่อนที่หมูชอบไม่ใช่หมูง่อนหรอก สุกรสุกระก็แปลว่าเนื้อสุกรณ์เนี่ยเห็ดมันชอบแต่ลํำกับอุจละเขาเน่ะมันจะไปหอกชอบมู้งอ่อนเฮ็ดเฮ็ดอ่อนสมัยเขบพูดเข้าข้างตัวอนั่นก็สุกรที่เป็นสารที่เป็นเบือ่อเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นสารข า, ขาวๆสุกก ร, รอ่อนข้างในจินถ้ามขามันบุบจะมีเชือโลกเม็ดไตไต ที่ขาสามันจะน้อยเออสิ่งแหล่านี้มันก็เป็นพุทธานุสติอยู่ในตัวอู้หูฉลงปูแข็งแรง ก, กว่านี้หน่อยรูมตันเขากาลุ่ม <laughs> มันไปไม่ไหวแล้ว ไ, ไ, ไปมันก็ต้องเอาฟืนไปเผาห้ อ, อมละ <laughs> ทําอะไรมันก็เป็นทําดีมันก็ฉลองดีอยู่ในตัวแล้วคทำชั่วมันก็ฉลองชั่วยอยู่ในตัวแล้ว ทบุญฉลองอายุผู้ทำามาปก็ทำบาปฉลองอายุเหมือนกันนั่นทบุญบ้านบ้านก็ไม่เอาก็จิตใจไปผู้เอาทบุญฉลองสะพานสะพานก็ไม่เอาก็ไปเจิมลตร์ไปเจอมลตร์รถมันจะรู้จักไอหนุ่ยอะไรก็เจอมจิตเจิมใจของตัวนีนขับให้มันดีเท่านั้นแหละตั้มไปจุดทำจุดเอาเชือกขู อาอะไรฝ้ายถูกเป็นพวงมาอะไรอะไรสารพัดเราเบื่อที่นี่เขาบอกให้เราเจอรถเราก็ชี้ส่ายห้วยใจเขาขอ่ะเขาบอกให้ไปนั่งเราก็นั่งเราเทศให้เขาฟังเองบอกให้เราทำจุดๆอย่างนี้เราไม่ทำํทำทํายังไงมันจะรู้จักอะไรพวกบอกเรื่องโรงสีเราก็ไปเจอให้เขามันกันเออเจอโรงสีไหมยะย่าทําข้าวของเขา ให้มันเป็นผงเนือ้อเดี๋ยวให้ได้กำไรข้าหมูของเราไม่ถูกถ้าคนคนทุกคนจนเขาหาบมาก็เสียให้เขากูขี้เกียจตีดไฟอย่าไปว่านี่ก็เติมลงลงสีเราพูดอย่างนี้นอย่าหาอุบายเรื่องหมูกินเศษกินเลยกับข้าวของเขานี่ก็เติมลงสีเราพูดอย่างนี้พว ก, กรถกันมันกัน ถ้าพระนั่งอยู่ข้างล่างผู้อยู่ข้างบนหลังคานะี่ยอย่าไปหยอนขาลงมาหาหัวพระอันนี้ก็เติมรถเราพูดอย่าง น, นี้ที่นี้ถ้าของเขาอยู่หลังคาเนะ่ะพวกรักษาหลังคาเนะ่ะอย่าไปยัดของเขาที่กล้วยของเขาคว่างทิ้งอบางทีกล้วยวีเดียวหมดไปร่ํายังไม่มีอมืนี่ก็เติเมเติมรถถ้าทางสามแยกสี่แยกไม่พอจะผ่านพ้นไป อย่าโผล่เข้าไปดูให้รอบคอบเสียก่อนถ้าไม่จําเป็นอย่าไปแซงเขาเราแซงเข้าไปเราเปิดร้อยเขาก็ร้อยเหมือนกันเราเปิดร้อีเสบเขาก็สีเราก็สิสินเหมือนกันต่างคนต่างแข่งกันก็เลยลืมทีนี้แข่งกันไปกว่าจะได้ขึ้นหน้ากันท่านอื่นมาก็เพลงคันนี้มาเขาแข่ทางหลังอ่ะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปไปแซงนี่ก็เชิมรถเราพูดอย่างนี้ถ้ามันพอจะวิ่งจะพ้นไปจะผ่านจะพ้นไปจึงเชิมทีนี้ทางของเรา เป็นทางโทรเป็นทางตรีทีนี่ทางของเขาเป็นทางหลวงเวลาเราจะผวานจะตัดไปสามแยกสี่แย ก, แยกเราระวังให้ดีถ้าไปชนกับเขาเ่เขาถือว่าเขาเป็นสายเอกเขาก็ปรับเรามากนี่เจมรถพูดนะทีนี้ถ้าผู้หญิงปากแดงไปนั่งอยู่ด้วยอย่าไปเอนตัวใส่เขา อย่าลืมมือลืมเท้าของต้นพลาดก็พลาดข้งเดียวทานั้นไม่ยพลาดอีกนี่ก็ตายนี่ก็เจมรถเราพูดอย่างนี้เขาลืมของอยู่ในรถในเรือเป็นร่มคันหนึ่งก็ดีอย่าไปเอาของเขาไม่ไว่แต่เรามาเห็นเงินหมื่นหนึ่งก็จะไปเอาเสียเกียรติมากเอามาให้เขาอันนี้ก็เิมรถเราพูดอย่างนี้ทีนี่หมาบางตัวมันอยู่ที่ถนนอย่างนี้มันผินหน้ามาทางนี้อย่าไปอย่าไปเหยียบมันหรืออย่าไปฉากมันนะมันเย็ดอย่างนี้เขาไปถูกก็เจมรถเหมือนกัน ถ้าไม่จําเป็นเราพูดอย่างนี้ก็ไม่ไหวแต่จําเป็นบางอดบางบางท่านไปฉากมัน เ, เลยถ้าจําเป็นมีคนหนึ่งมาทางนี้มันก็เป็นสถานหนึ่งแล้วฉากเล้าอย่างว่าแล้วตัดฟันอีกเชื้อโรคเรามองดูเออมึงไม่นอนอ่ะตคนนี้ที่นี่มอหนึ่งขึ้นรถขึ้นเรือมอบอกว่าผมนั่นขับรถอยู่เมืงองอุดร สิบสองปีไม่เป็นอะไรครับรถของผมมาได้ปักเจิมผมกเติมจิตเจิมใจของผมพอผมขึ้นรถติดไฟแล้วผมก็แล้ลึกถึงคุณมาพุทธประดมประสงค์บิดามานดาผมไม่แข่งทางทางเร็วผมแข่งทางสุภาพอุบายใดมันจะพ้นจากอันตรายอันนั้นเป็นอุบายของผมรถผมไม่ไปชนกับใครเลยรถของเขาไปผึงฝ้ายอกอาดอย่างนั้นอย่างนี้ผมเห็นแต่อยู่ที่โรงพันตรวจไม่นาง เขาจับไปแล้วแต่ว <ide> ่าผมไม่ไม่มีสักทีเลยสิบสองปีครับมันพูดผมไม่ประมาทพอขึ้นรถแล้วก็นึกว่าเราอยู่ที่สนามตายนึกถึงคุณมีลามานาคุณพรกพุทธมพระสงฆ์ไม่ประมาทเลยแม่แขงทางพึงไถยแขงทางทางปลอดภัยมันพูดอย่างนั้นมันจะไปกอดว่ามันไปซักมันไปกอดมันก็ไปอยู่ในโลกนี้มัน จะออกน อ, อกโลกเหมันพระอาหารหันต์ไม่ได้มันพูดอย่างนี้เหมือนเลยเลยไม่มีเลยไม่มีมมนี่เหตุเลยน่พูดทั้งําพูดทั้งโลกตับไปตับมาอุ่นวี่อุ่นวายสารพัด ถ้าเราพิจารณาคนเดียวเราเราไม่เอามากก เ, เราเอาอันเดียวเท่านั้นกาหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็อยู่กับนั่นจะพิจารณาอะไรถ้าเราอยู่คนเดียวเราแล้วก็พิจารณาพ่อเขาลมหายใจเข้าออกถ้ามาที่เจรณาพ่อเขาลมหายใจออกมันเป็นออว่าเครียดขาดมันสุ่มไปไม่มีทานี้จะพิจารณาคุณพุทําสงฆ์ก็พิจารณาพ่อเขาลมหายใจเข้าออก จะพิจารณาอเนจังทุกคั้งอนัตตาก็พิจารณาพ่อเขาลมหายใจออกถ้าพิจารณาอะไรอะไรก็อยู่กับลมหเข้าออกมันจริงชัดแลเป็นสงสัยด้วยพิจารณาทุกเขาเห็นอยู่พ่อเขาลมหายใจเข้าออกเห็นทุกในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตเขาไม่ต้องสงสัยเห็นอเนจจังในปัจจุบันชัดว่าเขาลมออกเข้าอเนจังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องใส่สงสัย ก็ติ้งตัอหนทางเบื่อหายทางเราเนว่าตาสงสารถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันมันก็ไปไม่รอดมันตัดปัญหามันก็มากทําปัญหามากใหน้อยลงทําของที่คว่ำอยู่ให้ไหนาขึ้นไอ้ที่แท้ของทั้งหลายมันหายอยู่แล้วตอนเราไปสมมติมันคว่าทาทั้งหลายมันหงายอยู่แล้วไม่ใช่มันคว่ำแต่เราควความเราคว่ำปังหา ที่ไหนเราไม่รู้เราก็สมมุติตมันคว่มอาทิตย์แทบเป็นหงายอยูไม่มีนี่ครับนักที่โลกีและหวหน้ะกวามรับมันมีในรู้ความรับก็ไม่มีในธรรมเหมือนกันแล้วนึกอะไรเราก็รู้จักเราอยู่มันรับที่ไหนนั่นนั่งรับรู้จักเรานั่งอยู่มันรับที่ไหนเรานึกเบียดเบียนอะไรเราก็รู้จักอยู่เราไม่เนื้อเบียดเบียนอะไรเราก็รู้จักอยู่มันรับที่ไหนเะราพ่นเราก็รู้จักรู้เราไม่พ่นเราก็รู้จักอยู่มันรับที่ไหนน่ะ ดำน้ำอยู่เราก็รู้จักในขณะนั้นจึงว่านับที่เราเกลียหัวนามะก่อนรับมันมีในโลกคือโลกหังใจพราเราเนี่ยอะไรเราก็รู้จักมันรับเฉยถ้ากรรมและผลของกรรมมันมีเราก็ไม่ยอมปฏิบัติพระพุทธศาสนาเหมือนกันเราก็ไม่ยอมรับเฉยเหมือ น, นกันพระพุทธเจ้าเราก็มาเห็นสักทีเราเลื่อมใสเหตุผลธรรมะขององค์ท่านเห็นแต่ลูก ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนะมันตรงกันอเู่แล้วจะมาจับชายกี่วันเราอยู่ก็ตามถ้าไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นเราถ้าได้ผู้ใดปฏิบัติธรรมก็ผู้นั่นปฏิบัติเราผู้ใดปฏิบัติเราก็ผู้นั่นปฏิบัติธรรมผู้ใดเคารพธรรมก็ผู้นั่นเคารพเราผู้ใดเคารพเราก็ผู้นั่นเคารพธรรมจะมาจับชายกี่วันเราอยู่ก็ไม่เห็นเราถ้าไม่เห็นธรรมนะเราบรมสาสตร์เราพูดไปแล้ว หมูข้างเรามีไหมเราไม่พบมาเจอเขาจักทีบางคนเขารักษาชินห้าอยู่อเมริกาแต่เราไม่พบเขาก็เรียกว่าญาติเมธเราใช่ไหมแต่เรามอเห็นหน้าเห็นตาเขาจักทีตาฝ่ายต่างมีพุทธาสงอยู่ในคิดในใจได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยทรรมเทีนที่พบโยนพบผู้ไร้เขาไม่พบหน้าพบตากัน เขาฆ่าฟันกันเขาที่เขาป่อนอยู่ที่อเมริกาเขาขีา้เขาป่อนอยู่ในประเทศไทยเขาก็เป็นญาติกันได้นะพวกกันถูกมหมเนะ่ะไม่พบหน้าพบตาทันจทีก็าตามนะั่เพราะมีความประพฤติเสมอกันที่นี่มุมพักของเราเราจะเห็นว่าผู้่อมากราบไหว้กูกูจึงจะว่าหมูมพักของกูพวกเขารักษาชิ้นภาวนาอยู่ที่อื่นเขาไม่มาหาเราจะไม่เป็นพวกเราได้หรือนั่นมันก็เป็นได้เหมือนกันนะ ผู้เขามาห่าเราเราจึงอยางให้คะแนนเขาว่าเขาดีพวกเขาไม่มาเขารักษาศีลรักษาธรรมอยู่เขาไม่ดีหรือนั่นเขาก็ดีเหมือนกันนักถูกไหมถ้าไม่ถูกก็คมเห็นว่ บ, บอกว่าถูกมันก็ต้องรับที่เกี่ยวพูด <c oughs> ต่ไปนี่ก็เอาละเหนื่อยแล้วถ้าใครช่องใช้อะไรเขาพูดอีกเรื่องภาวนา ความดีความชั่วมันจะไปทิ้งให้ตาหูจ ม, มูกเล่นตาหูจ ม, มูกเล่นก็มารับก็ไม่มปฏิเสธด้วยตาหูจ ม, มูกเล่นกายก็ใจไปพูดไปรับของเก่าความมีความชั่วของมันกันใจเอ๋ยใจเอ๋ยเธอได้เคยสร้าบกุศลผลบุญมาไหมตาก็ต้ตองตอบว่าเคยครับผมเป็นตาผมจะเป็นขายานให้มันก็ไม่ว่าเีย <c oughs> มันก็เชืออยู่เนี่ยมันก็ไม่ปฏิเสธด้วยเข้าใจไปพูดไปจัดเองนั่น ใจหิอัตโนราโถวตนเปในพื้ของตนใจเป็นพื้ของใจทํามนในพื้ของทํามีความหมายอันเดียวกันใต้เบียดเบยนใจก็มีความหมายอันเดียวกันนอกจากใจไม่มีอะไรจะเบียดเบียนใจนอกจากใจไม่มีอันไดจะทําประโยชน์ให้ใจมีความหมายอันเดียวกันนอกจากใจก็ไม่มีอันไรจะเป็นทุกข์นอกจากใจก็ไม่มีอันไรจะเป็นสุขดินน้าไพลลงเขาไม่ได้ยืนยันว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ตาหงส์จมุกเล่นก็เหมือนกันรถก็เหมือนกัน มนม่น ม, น ม, นมันยืนยันว่าผมก่าแล้วเน อ, อ, อ, อเออมายกเครื่องให้ผมเนอมันก็ไม่ว่าเนี่ยนั่น <c oughs> พูดมา ก, ก่ากล้ายไ <c> ง <oughs> ทำอะไรก็ทำให้ไกลเนี่ยเย๋ะๆ <c oughs> ที่นี่ จะตัดมรกตัดผลในส่วนไหนๆจะขึ้คนความสงสัยไดๆก็ปัจจุบันตะกิดปัจจุบันธรรมทั้งนั้นไม่ใช่อาตีตธรรมไม่ใช่อนาคตตธรรมอนาคตตธรรมอนาคตตะกิดไม่ใช่ก็จะมาันตะกิดปัจจุบันธรรมเท่านั้นจะขึ้นขึ้คนความสงสัยตอนไหนๆ ถ้าทิ้งความสงสัยตอนไหนแล้วมันไม่มาไม่มาขบคืนเอง ก, ก็เรียกว่ามันเป็นจักปัจจคาสิทธิเรียกว่ามันไม่รู้ตามสัญญาจะหาสุขใด ใ, ในโลกไม่มีมีแต่ทุกพระโลกทั้งฟองมีแต่ทุกเหตุฉะนั้นพระบรมศาสตนาจึงสอนไว้บอกว่าอย่าให้ยินดีในโลกความปวยทั้งโลกภายนอกภา ย, ภายในโลกภายในตามหัวใจเรื่นกายใจโลกภายนอกลูกยันถึงโลกโสดพระธรรมารม โลกตามพระสูตรมนุษย์โลกในแก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวาโลกได้แก่จัตตา ม, มาพระจัลลังหกขนธ์พรมโลกไดแก่กรูปภพหกขันธ์แล้วลรูปภพสี่ขันธ์โลกโลกทั้งหลายเหล่านี้เธอทั้งหลายอยากป็นยินดีเนี่ยเพราะเกิดขึ้นหน้าแปลว่านนี้แตกกระจายน น, นั้นโลกในพระสูตโลกในพระปรมัตคือตาหุ่นสมลุนไายใจน่ะปรมาตปรมาตเข้าในที่ใจพระสูตรก็สูดรของใจพระวินัยก็มีวินัยของใจน่ะลงที่แห่งเดียวกันเหมือนกัน ที่เทลายออก ท, ทําไมท่าพูดมากนะพระองค์ไม่ได้พูดมากบางองค์บางท่านพระองค์ก็พูดเป็นเอ ก, กานิบาต ท, ที่พูดมากเขเพราะเขาไม่เข้าใจแล้วเอามารวมแล้วเป็นแปดพันสิบพระธรรมขันธ์ไอ้ที่แท้ก็มีความประสมอันเดียวกันพระรหันเข้าสู่พญานานไปมากกว่าเมทินีไม่ซาในท่มย อ, ยอมหาสมุทรสีมหาสมุทรถ้าหากว่า พระพุทธศาสนาเป็นของเหลือวิสัยท่านเ่านั่นทำไมถึงขนาดนั้นถ้าเราถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นของเหลือวิสัยก็เท่ากับว่าไปกล่าวตู่พระพุทธพระพบรมศาสสะดาเป็นคนงูของเหลือวิสัยก็ยังมาเทศให้คนฟังอยู่ยงูจริงๆพระโบรมศาสสดาเนี่ยก็ข้ายกับพระกล่าวตู่อย่างนี้มันไม่เป็นของเหลือวิสัยลุกคนเพรามันเป็นดอกบัวตูมีอยู่พวกมันเป็นดอกบัวเสมอหน้ามีอยู่เพราะนั่นแหละมันจะปฏิวัติพระพุทธศาสนา ส่วนพวกที่อยู่ใต้น้าก็หม้อให้เป็นทักษ า, าแห่งปลาอะไรเต่ามออให้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หน้าซันั่นทีนี้เราอยากไม่อยากจะยอมตัวว่าเป็นดอกบวัวใต้น้ำมันยากเยเราอยากจะเป็นดอกบวัวตูมเยอะนี่ช่างหัวมันเถอะอย่างนี้ตายไปที่เกิดมีท้องใบถ้าเราพูดอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นที่สบายใจเพราะเห็ุไดเพราะบารมีเราสร้างมาแล้ว มันจึงไม่เป็นที่สบายใจมันมีเราสร้างมาแล้วเกจ้ามาแล้วตายช่า ง, ง, งน้อยไปที่เกิดมีท้องไปถ้าเราพูดอย่างนั้นความเห็นเิ่นนั้นั่นเปนไม่เป็นที่สบายใจของเราอีกลนะแล้วจําเป็นเราก็เอามาพิจารณาอีกนะจําเป็นเราก็ต้องพยายามเพื่อรุดทุกข์พ้นไปจากบวงทั้งบ่วงซะมากเพราะเหตุไหนรจำเป็นอย่างไรเพราะมันมี ข, อ, ของเราแก่กล้าลแล้วงนี เราไม่ใช่ขอสรากาขอสราขาเลขกหนึ่งเลขกสองเลขึ้ามเลขึสี่เลขึ้เราชั้นปฐมมัธยมแล้วจะให้ไปจะให้เราไปเรียนอย่างนั้นเราไม่พอใจเรียนเพราะเราผ่านมาแล้วนั่นวันคืนของผู้สนใจใทำชนะความสนใจทั้งปูง ยินดีในทำคณะกิจเดียวยังยินดีกว่าในโลกนั่นล่าคณะกิจนีต้สาข้างนอกต้อสุดต่รัะนแต่โลกทานมั้นิมิทั้งหลายมันก็ย่อนแต่โลกทานเพาเียวผ่านมันเป็นนตเต้นานีผ่านันนี้นิมิี่เนผู้ดุมันนีนิมินผู้เห็นมันมีนนิมิตได้ทั้งสิ้นในภายในผ่านอันนี้ิมต่างๆจัดเป็นจิตสังขารมันก็เห็นโดยคือแล้วกระดักไปเรทุชุด ข้าวับรถไปห้าจะไปมื่อแต่นมีดผ้านอกระลุลนลนะนะีนือเมื่อตตเขียวตายขนาดชักว่ะเหอเดวนี้นิดแปลว่าเืางไม้กั่ไม่ไหรก็เป็นนิ่มีดเมนี่แไม้มันกัเครื่องไม้มันกับข้มันเหงือเ น, นี่ยข้มันหมุนเนี่ยเมื่อไหร่ของกีงเครื่องไม้พน้านบ่ไหมไอีตนาพลดศิบัติเกไม้นี่พ้านห ม, ม, ม, ม, มือนถาเขาโซ่พนผานจ็บใจ คิดใจเป็นเนื้อเม็ดั้งเดิมสมัติของคิดของใจภายใเม็ต่างๆบอกั่งนี่ไม่แปลว่าเครื่องหมายนี่สมมุติแปลว่าสมมุติใจเป็นสมมุติดั้งเดิมมาเติมตาสมมติมือเรีนเขาเป็นสมมติผ้าหลังกายบอกสั่งทุกทิศทุกทางพระพุทธเจ้าให้เธอมันเห็นแล้วก็ให้ว่าใครปล่อยมันว่างเองมันปล่อยเองมันว่างเองปล่อยเองเลยถ้าว่าถ้าว่บัญญัติแทมัตเกิด์มันดับดอก มันเกิดขึ้นราะกาแฟแล้วนจะดับเอกบัดอะไรนะเขาพููตามจริงนั่นแหละย่าท้าพูดตางธรรมว่านายกท่านทับฟังท่านทั้งหลายท่านพูดตามจริงเรื่องอะไร่านรูปในอดีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบันในเวลาน่าเวทนาในอดีตอนาคตปัจจุบันสัญญาในอดีตในอนาคตในปัจจุบันสัญญาในอดีตในอนาคตในปัจจุบันรูปอดีตรูปอนาคตรูปใกล้รูปไกลรูปญาวรูปคนนี้นี้ อันนี้จะตามต่างเธอทั้งหลายจงอย่าตามไมจริงเนี่ยเถ้าาผู้ต่างสมัปัญญาจ้าทาังทรงขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ฟองเราอ่ะเสียแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้อันนอนัตตาลขณสูตรสูตรที h, ่ว่ามันตัวมันตดนั่นมันซัดมันมันมุคพ้นสูตรอะระสูตรตาสูตรหูสูตรจมูกสูตรริมสูตรกายสูตรใจก็คือกันพระพุทธเจ้าบ่ให้ส่งมาเื่อมันให้ไม่สติแล้่ก็พระสติพระปัญญาสิมีานี้พระพุทธเจ้าก็บอกเลยร่ง่ามันรุศาสมัน